ขอกราบคารวะพระรัตนตรัยประพุทธประตรมพระสมและขอกราบพระเทรันเทระผูกคมนปนู้ทนสุขและก็ขอกราบคณาครูบาอาจารย์และพู้สนับสนุนทุกท่านขอเจริญพรยถาโยมทุกทุกคนครับ ก็ตามสบายๆนะครับโอสบายๆนี่มันก็เป็นสามการเป็นดีลักซนะ์ก็กลายตัวต่างกายนี่ก็มีประโยชน์โตกายโตใจมันจะเป็นแข่งร่างกายแกรนจิตใจก็เครียด ทำกันได้ฉะนั้นก็ให้สบายๆหน่อยก็ยกมือสั่นจังหวก็ได้หรือว่าก็ไม่ต้นทำลารก็ได้ท่านใจฟังก็ได้เป็นธรรมัตัยอาศัยก็วันนี้ก็ทำมาก็ได้รักกิจนมิมนจะอาจารย์สนศีล ให้ว่าธรรมะหรือว่าเป็นคำที่อาจจะมีประโยชน์ต่อพวกเราท่านหลายก็ได้ก็คิดว่าที่สุกโตธรรมะก็ได้มาอยู่หลายปีแห่งความดี เป็นรุดเป็นหลายยามเป็นสัพยะปรรยากาศก็เป็นเงียบสงบเป็นป่าไม่ใช่ป่าเป็นคอนกรีตเป็นป่าธรรมชาติธรรมชาติเป็นเขียวก็อยู่กับสัตว์ตั้งหลายหลายชนิด มาอยู่ด้วยกรรมเป็นสมดุลสมบูรณ์ก็เข้ามาแล้วก็ร่างกายก็สบายขึ้นจิตใจก็ก็ดีสมาธิขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเปรียบเทียบกับ อาปศญี่ปุ่นปัจจุบันสมัยช่วนนี้ก็ร้อนก็เขาว่ามันร้อนเชิญแล้วก็รู้สึกก็ไม่ก็สบายแต่วันนี้ก็มีคนญี่ปุ่นก็มาถึงมาปฏิบัติธรรมก็เขาก็บอกว่าที่คุณเทพก็ร้อนเหมือนกัน แต่มาถึงที่นี่ก็ก็สบายขึ้นนี้บรรยากาศก็ช่วยต่อกายโจทใจของเรานอกจากนี้ก็ที่นี่ก็มีคลมแวตรอมดีเป็นครูบาจารย์เป็นหล่มพ่อแล้วก็หล่มพี่มาเป็นเพื่อนเป็นกรารียนมิตร ช่วยสอนช่วยอให้ออกความหมบปูนใจแล้วก็เมจีก็มาช่วยการตามาหาบ้านด้วยหรือว่าช่วยหลายๆอย่างแล้วก็ญาติโยมก็มาปฏิบัติธรรมกัน ภาษาบรรยากาศเป็นธรรมะเพ่งกุสมให้บิวเป็นทัตเป็นดีเป็นบรรยากาศสมบูรณ์มีกายมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกความอบพุ่นใจโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นที่มาหลายอ่า มาหลายชั่วโมงหลายกิโลมาแล้วก็ก็หน่วยแต่ว่าเราให้ความหมกปุนใจโดยเฉพาะคนไทยก็ยิ้มยิ้มเก่งเกนก็แล้วก็อสาหะเอาใจใส่ช่วยเหลือด้วยก็ทุกคนก็ ก็ดีใจมีความสุขใจแม้ว่าเป็นคนที่เคยเป็นทุกข์สารพัดอย่างมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มที่จะได้หาปล่อยความทุกข์ได้ด้วยจากบรรยากาศเป็นสิมเบลล้อม แล้วก็คนที่มาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นธรรมะที่อันสำคัญ เ, เป็นการความหมดูุใจจากปัญญากาศเป็นปัจจัยเป็นกัลยาณมิตรเป็นธรรมะอันยิญญย่งใหญ่ นี่ก็เป็นคำสองของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เคยไปเยี่ยมชุมชมของนักปฏิบัติธรรมหรือว่าผสมก็ไปแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่ A. นั่นตอนแรกว่าถามว่า ก็อยู่กินดีไหมก็กินก้าปพออยู่อกินหรือเปล่าก็ฤทือ์ศิษย์ก็บอกว่าพอกินครับพ่ออประทเจ้าก็ถามอีกอย่างอีกก็อยู่ด้วยกันเป็นกรรมิตรกันหรือเปล่าก็ตอบว่า อยูอ่เป็นมิตรกันดีครับก็พระพุทธเจ้าพอใจแล้วก็ถามว่าปฏิบัติดีหรือเปล่าปฏิบัติยังไงก็ถามสุดท้ายแล้วก็สนทนากันธรรมะกันอันนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ให้ความสาคกัญ ตัวการความเป็นอยู่เป็นหลักความเป็นอยู่มีอยู่กินดีมีที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่นี่เป็นเป็นพื้นทางของการปฏิบัติธรรมเลยว่านอกจากนั้นก็เป็นอยู่เป็นยึดกันนี่ก็ให้ความ สำกันด้วยถ้าแม้ว่ามีปัจจัยสพออยู่โอกินแต่ว่าตาคนคนอยู่ด้วยกันมันขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันนี่ก็ไม่ดีต่อการปฏิบัติธรรมมันอุปสรกต่อการปฏิบัติธรรม ถ้าเป็นบรรยากาศดีเป็นมิตรกันดีก็พื้นต่างก็คบรียวแล้วเราก็ข็พอที่จะต่างต้านใจปฏิบัติกันได้เต็มที่ทีนี้ก็ดีก็บินตบาทก็มีชาวบ้างก็ศ ร, รัทธาเริ่มใส ใส่บาทกันนอกจากนั้นก็บอกญาติโยมแม่จีก็ทำอาหารมัเป็นอ่าเป็นคุณภาพดีด้วยฉะนั้นก็เป็นสมาชิกเป็นพัสสนแล้วก็ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม ก็ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารก็สถานที่ที่อยู่อาศัยก็พอที่พักได้อันนี้ก็รู้สึกว่าก็ทีนีก็เป็นเป็นทรัพยะยก็ดีมาก นอกจากนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่เราทำกันอยู่เป็นยกมือสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีอันนี้ก็ก็เป็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติเป็นมัก ไปสู่การดับทุกข์เป็นนิพพานที่แท้จริงหลวงพ่อเทียงก็ดีหลวงพ่อคำเคียงก็ดีหรือครูบาอาจารย์หลายทา่านก็ก็พิสูจดูปฏิบัติดูแล้วก็ได้ผมทุกๆท่ทานแล้วก็เป็นผสสน ที่เคยมาจำพรรษาร่วมอัตมาเองด้วยก็ได้ผลดีพอสมควรตามการตั้นใจปฏิบัติธรรมก็ทุกคนทุกคนก็ได้ผมคือว่าเป็นการบรรเทาความทุกข์ รู้ว่าดับทุกสิ้นเจนนี่ก็เป็นสิ่ที่เป็นหายากอาจจะเราไม่ได้พบกับพุทธศาสนาหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้มตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะเราก็ ไม่รู้ตัวเป็นอบิจาะตลอดชีวิตแล้วก็หล้นทานหลมตามไปแล้วก็ความทุกข์ไปเรื่อยๆส ร, สร้างขึ้นสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้แต่ว่าอาการเจริญสติมันสตินี่เป็นปัจเจ้าเน่ง ที่สุดเป็นการสำคัญแล้วก็เป็นกุญแจเปิดห้อมไปส่มรักปนญิปานกันได้เพราะว่าก็ตามอริยสัจสีก็ดี หรือว่าตามปฏิจจสมปิตบาทก็ดีมันก็เป็นถูกต้มเป็นการสร้างจริสร้างสติแล้วก็สมาธิด้วยแล้วก็เกิดปัญญาวจะนะเพราะว่าเราก็รู้สึกตัว สิ่งอะไรเกิดขึ้นก็ทุกเพราะว่ามีสาเหตุทำให้เกิดทุกแต่ว่าสร้างสติมังนี้ก็เป็นการดับ สาเหตุทำให้เกิดทุกข์ได้สาเหตุเกิดคือว่าเป็นการจิตปนเตนสร้างความคิดโดยไม่รู้ตัวสร้างไปเรื่อยๆจะได้ความทุกข์ก็ มันรุนแรงมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เสียเวลาเสียพลังบางกองก็ว่าจะกล้าตัวตายกันก็มีสมัยนี้ก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ก็คนที่กล้าตัวตายกันก็ก็มากพอสมควรพอมาก ก็ทุกปีก็ได้สามมงกว่าคนนี่ก็ตายกันกล้าตัวตายกันาอายุยี่สิบปีถึงสี่สิบปีก็คนที่กล้าตัวตายนี่เป็นมากกว่าตายอย่างอื่นด้วย ตายยังอยู่อื่นนี้ก็เป็นการลดจนหรือว่าเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี้ก็ค่าตัวตายหรือว่าความทุกข์นี่เป็นสาเหตุทำให้าตายไปมากก็ถ้าเป็น คนตาย 30,000 คนนี้ก็คนวันหนึ่งก็ก็เป็น100คนได้ถ้าวันนึง100คนตายก็ถ้าคนที่ขาดตัวตายแต่เป็นคนที่โลดไปนี่เป็นว่า10เท่า เตานี้ก็วันหนึ่งก็ตั้นใจจะกล้าตัวตายลนดูไปก็พังคนวันหนึ่งนี่ก็แสดงว่าแม้ว่ามีเงินมีทองหรือว่ามีเมียมีลูกมีบ้านมีรถยน อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าความทุกข์นี้เป็นสาเหตุแต่ความทุกข์นี้ก็มาจากจิตใจใจมาจากด้านโน้ถ้าความคิดมันก็ไม่กลุ่มตัว ไม่รู้ตัวก็ไปตามความคิดเป็นาธาตุของมันความคิดก็พาไปตายกันก้ากันนี่ก็มันยุดไม่ได้ แต่ว่าโชคดีเราก็รู้จักการเจริญสติสตินั่งแอนคือมันจบเรื่องได้ก่อนที่ฆ่าตัวตายนี่จริงๆแล้วไม่ใช่อยากฆ่าร่างกายตายแต่ทุกกองก็จริงๆแล้วอยากอยากจบเรื่อง แต่ว่าไม่รู้ตัวก็เลยมันก็ขาดกันร่างกายไปจริงๆแล้วถ้าเราเห็นมันสาเหตุก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดอยู่ที่จิตมันปรุนเต็มไปแล้วก็ให้จบเลื่อนที่เกิดที่ใจ นี่ก็แก้ได้แก้ปัญหาได้หมดสิ้นไปไม่ต้องกล้าร่างกายไปเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นปัจัไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์มันเป็นทำให้ทุกข์นี่ก็ เป็นตังหาอุปาทานนี่ก็มันมาจากจิตมันปรุนเต็มเป็นสังขารไปเรื่อยๆก็ความอยากได้ความยึดมัน่นถือมัน่น้าเรามันเห็นมันเห็นแล้วก็เราก็ ไม่ได้เป็นตอนที่เป็นยิ้มตมไม่เห็นเห็นแล้วก็เราปล่อยได้ปล่อยตั้งหาปล่อยปัะทามภพชาติไปก็ไม่มีโอกาสเกิดความทุกข์นี้ได้ เวทนาความทุกเวทนาทุกเป็นทุ ก, กเวทนาเวทนาสุขเป็นสุขเวทนาอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเรามีชีวิตอยู่ก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราก็ สร้างขึ้นจิตมันก็ปุนเต็มไปถ้าทุกเวทนาก็อยากหนีอยากสู้อยากกดตามไปก็ทำให้เกิดมันความกรอบความโมโหห แล้วก็เผากายเผาใจแล้วก็หล่นตามไปเรื่อยๆเป็นทุกข์ซไปเผ็่เ๋าตะใหญ่ถ้าเป็นซุกก็มั้ก็เผลอไปแล้วก็ไม่รู้ตัว เป็นธาตุขมันความคิดหรือว่าลมต่างๆอันนี้ก็เราก็จมลมคำความมืดมันทุกใจแล้วก็ สาำไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นไม่ใช่เป็นทางที่ที่พุทธศาสนิกชนไปเราก็เลือกทางไปมัปรุญิปานนี่ก็เราก็เห็น ม, มันทุกเห็น ม, มันเบตนาแห็น ม, มันสัญญา สังขารบิญญาณไม่ใช่เป็นไม่ใช่ปัตทานเป็นยึดมัน่นถือมัน่นเอาแต่เห็นยอมรับเฉยๆไม่ได้จิตกลับมันแต่เราก็รู้เราก็ปล่อยได้ปล่อยแล้วก็ไม่ได้ ถูกครอกงามจากมันก็เราก็เป็นเกิดเป็นอิสระให้กวานเป็นธรรมชาติก็เป็นปกติอยู่แล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นว่าเป็นถูกเป็นเกิดอย่างนี้ ดับไปอย่างนี้โดยเฉพาะทอนที่มันทุกข์มันกำลังดับไปเร็วดับไปเกิดขึ้นท่านอยู่ดับไปนี่ก็ให้เห็นไปเรื่อยๆนี่ก็เข้าใจความจริงสัจธรรม ถ้าจะทำนี้ก็เป็นอนิจจันมันเป็นเกิดขึ้นดับได้อยู่ดับไปก็เป็นธรรมชาติแห่งอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตมนี่ก็เข้าใจขึ้นรู้จกักไ ด, ชด้ชัดขึ้นชัดขึ้น คนที่เราก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตัวตนนี่เป็นความคิดสร้างนี่ก็เป็นสมมติไม่ใช่เป็นปรมัติตถ้าสมมติก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ก็ใช้ได้ สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เอามาใช้ได้เป็นประโยชน์ได้แม้แว่าเป็นสิ่งโขมหรือว่าความคิดก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แต่เราก็เคารพมันก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นเราก็อิสระแค่ใช้เพื่อประโยชน์ ต่อชีวิตต่อเพื่อนชีวิตแล้วก็สร้างความดีงามต่อโลกนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธอีกอย่านหนึ่งย่านหนึ่งก็สร้างความสร้างปัญญาเกิตอบตุกอีกย่านหนึ่งก็เป็น เมตตาการุณาช่วยเหลือสิ่งที่อยู่ด้วยกันที่อยู่ในโลกเป็นสัตว์ตันหลายให้ไม่ีความสุขความเจริญนี่ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธก็เริ่มต้นจาก เราก็ไปยามปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ให้บันเทาทุกข์รอมไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเป็นการสร้างสตินี้ก็ก็ใจได้ดี คนญี่ปุ่นเคยมาหลายก้นร้อยร้อยพันคนนี่ก็ทุกกองก็ได้ผลเพราะว่าก็เมื่อกี้บอกที่นี่ก็เป็นบรรยากาศดีแล้วก็การปฏิบัติมันถูกต้อมอดีตเป็นทุกทุกอย่างทุกชนิดแลก็ก็ดับได้ เพราะว่าเป็นสร้างขึ้นมาด้วยตรงเองนโดยไม่รู้ตัวเฉยๆไม่รู้ตัวเป็นหลนทานเฉยๆแต่ว่าเราก็รู้ทานมีแผ่นที่ก็ครูบาอาจารย์สอนถ้าทำตามเดินตามด้วยแผ่นที่ที่ถูกต้ม ทุก่อนนี่ก็ได้ผลแล้วก็รู้ได้ด้วยตรงเองว่าเป็นดับทุกอย่างนี้อย่างนั้นได้แล้วก็มีความมั่นใจจะบอกจะเผยแป่ธรรมะคนที่ยันที่ติดกับความทุกข์ ร้นทาไปก็หลายก้นในโลกนี้แต่ว่าเราก็อาะจกดีมาสัมปัตบพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมะ นริงขึ้นไปเพระาะฉะนั้นนี่ก็ก็พวกเราก็ขอให้ตัง้งตั้งใจใจโอกาสเวลาสถานที่ที่วัฏปาสุะโตให้เต็มที่แล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญได้ถึงมรรคผลนิพพาน ในปัจจุบันชาตินี้ทุกๆคนเธอ